ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสแบ่งปัน พ, พระราชกิของพระเจ้ากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดยาวหลายวันนะครับแต่วันนี้เราก็มีความยินดีนอกจากเราได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับเรามีความยินดีสําหรับพี่น้องของเราในรอบบ่ายที่จะเข้าพิธีบับติศมาและก็พิธีย้ายสมาชิกนะครับ กระแสสังคมในปัจจุบันนี้หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ประมาณเจ็ดแปดวันนี้กระแสอะไรแรงที่สุดในประเทศไทยครับโปเกมอนมีใครโหลดมาแล้วบ้างครับ <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วผมก็โหลดเล่นนะครับลองโหลดเพื่อจะเล่นกับลูกดูนะครับพอถึงมาถึงหน้าโบทนะครับโทรศัพท์สั่นใหญ่เลยโอ้โหโยนบอลไม่ทันเลยครับมันวิ่งหนีไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับ แล้วก็มันก็มาแรงรามากนะครับในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าสังคมทั้งหลายคนทั่วๆัไปก็จะติดตามเกมนะมันสนุกนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเล่นก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าเล่นเราเล่นลึกๆ ก, ก็ลองอ่านรายละเอียดนะครับมีทั้งโทษนะครับแล้วก็มีภัยที่จะตามมาทีหลังนะครับก็ถ้าเลือกไม่เล่นก็จะดีกว่าใช่ไหมครับ บางคนก็จะบอกบางกระแสหรือว่ากลุ่มที่ศึกษาเยอะๆนะครับเขาก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็มาจากลทัทธิ n ิวเอชนะครับลทัทธิซาตานลัทธิที่ดึงคนออกจากพระเจ้านะครับจากการติดตามตัวการ์ตูนอะไรทั้งหลายและผมก็เลยถามย้อนกลับไปอีกว่าเราควรจะเล่นขนาดไหนหรือว่าไม่ควรจะเล่น แล้วก็สื่อทั้งหลายเหล่านี้ที่เราติดตามเมื่อช่วงของคอมพิวเตอร์ที่เข้ามากำลัง เ, เป็นเครื่องมือในการใช้เทคโนโลยีทั้งหลายนะครับก็มีคนศึกษาโค้ดของเลขห6หหกนพอจะนึกออกไหมครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหกหหมันสรุปแล้วก็คือคอมพิวเตอร์นะครับก็ ตอนนั้นก็คือหาไปพักหนึ่งแต่ปรากฏว่าตอนนี้เราก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัย5้านะครับปัจจัย5อาจจะไม่ใช่โตโยต้านะมันเป็นคอมพิวเตอร์แล้วมันถูกย่อมาลงสมาร์ทโฟนและอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเราไปไหนก็ไปสามารถทำงานผ่านคอมพิวเตอร์เล็กๆนล่นเราก็ติดตามมันไปใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับ หรือแ่าครั้งเราใช้ GPS อันนี้ก็มีเรื่องที่เล่าแบบสนุกกันมาก GPS บอกเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายมันบอกเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาเราตั้งเป้าหมายให้มันพาไปบางคนจะให้พาไปในเมืองแต่ปรากฏว่ามันออกไปที่ทุ่งนานี่นะครับคริเสเตียนเราติดตามอะไรครับติดตามพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้านะครับในสองทิโมธีบทที่3ข้อสิบหกสิว่าอย่างไรครับราการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมในการกระทําดีทุกอย่างนะครับเราติดตามพระเจ้าและเรามีพระวจนะของพระเจ้าที่จะนําทางชี้นําให้เราในการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน นั้นชีวิตของทิสเตียนจึงดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งพระคัมภีร์นะครับยากรบที่เราอ่านด้วยกันเมื่อสักครู่นั้นพระธรรมยากบผู้เขียนก็คือน้องชายของพระเยซูเองแม้ว่าช่วงแรกเขาเองก็ไม่เห็นพระเยซูก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่หรอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่เขาอาจจะได้สัมผัสกับ ก, บการสอน ชีวิตของพระเยซูนะครับและเมื่อเมื่อเขาได้สัมผัสกับพระเยซูที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นอยากรอบยากรอบกลับใจและเขาเองเป็นคนที่นําคําสอนของพระเยซูคริสต์เจ้านํามาเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นแนวทางในการหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่กําลังกระจัดกระจายไปถูกคมเหงกระจัดกระจายไปได้อย่างสั้นๆ และชัดเจนแม้ว่าบางคนนักศาสนศาสตร์บางคนอาจจะบอกว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่มีคุณค่าเบาๆนะครับมาติลลู้โรเทอร์บอกว่ามันเป็นจดหมายฟางข้าวนะครับซึ่งมีคุณค่าน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถูกบรรจุไว้ในพระคัมภีร์ลักษณะเด่นของยากอบครับมีลักษณะแบบความสอนแบบยแต่ สอนอย่างชัดเจนตรงไปตรงมานะครับคนแบบไหนคนแบบไหนก็เราจะพบในพระธรรมยากอบนะครับและเน้นคิตศาสนาที่สําแดงชีวิตด้วยการประพฤติด้วยความดีนะครับประพฤติดีและความเชื่อที่เกิดผลท่านจึงบอกว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นก็เป็นความเชื่อที่ ไรผลนะครับและยากอบเองก็มีคำสอนที่คล้ายกับคำเทศนาของพระเยซูคริสต์เจ้าบนภูเขามาก่อเทศตั้งแต่บทที่ห้าถึงบทที่เจเราก็จะพบว่ามีลักษณะคล้ายแบบนั้นลักษณะของความโกรธลักษณะการโต้ตอบอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งพระธรรมสุภาษิตนั่นเองเราอ่านพระธรรมยากบนะครับเราจะได้ข้อคิด และได้แนวทางในการตัดสินใจแนวทางดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเองจึงมีคนบอกว่าหนังสือเล่มนี้คือแนวทางที่เราควรจะดําเนินชีวิตนะครับหรือว่าแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราในข้อที่เราได้อ่านด้วยกันนั้นแท้ที่จริงแล้วมีบริบทที่นํามาตั้งแต่ข้อ19จนถึงข้อ21และข้อยีบเอนั้นยากรอบได้บอกว่า พระวจนะของพระเจ้าที่ได้ปลูกฝังไว้ในชีวิตของเราคือผู้ที่ได้รับจดหมายนั้นเขาได้รับการได้รับพระวจนะของพระเจ้าี่ปลูกฝังมาในจิตวิญญาณของเขาอยู่แล้วนั่นเองเขาควรจะเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นแท้ที่จริงนั้นพระวจนะนั้นก็คือพระธรรมพระคัมภีร์เดิมนั่นเอง นะครับและคําสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นก็เปรียบเหมือนกับมเมล็ดพืชที่หวานลงไปในดินแม้ว่าจะมีดินหลายชนิดที่พืชนั้นเมล็ดพืช น, น, นั้นถูกหว่านเอาไปบางชนิดถูกหวานหวานลอกไปแล้วถูกนกถูกมแมลงจิกกินเพราะมันไปนหล่นตามถนนหนทางบางชนิด หล่นไปในดินที่มีทรายเมื่องอกขึ้นมาเจอแดดก็เหี่ยวแห้งไปบางชนิดตกไปในหินโตขึ้นงอกขึ้นมาแต่ไม่สามารถแทรกรากลงไปในหินเหล่านั้นได้ก็ตายแต่มเมล็ดที่ตกไปในดินดีนั้นก็เติบโตเพราะว่าเานะของพระเจ้า ที่เข้ามาถึงชีวิตของเรานั้นเป็นพระวัจทที่กำลังเติบโตกำลังปรับปรุงพัฒนาชีวิตของเราในการติดตามพระสกิตเจ้าเป็นพระรัชนะที่เกิดผลสามสิบเท่าหกสิบเท่าถึงร้อยเท่านั้นเองพระคัมภีร์จึงบอกว่านั้นเราจึงเป็นผู้ควรเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น พระเยซูตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไทยของพระบิดาเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะได้เข้านั่นพระเยซูพระเจ้า ก, ก็เน้นในการปฏิบัติตามเช่นกันนะครพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เน้นที่จะอ่านที่จะฟัง ที่จะสอนเท่านั้นซึ่งเราเห็นในมากมายในคนในพระธรรมกิติคุณนั้นมีทั้งคนสอนแล้วไม่ทําตามคนฟังแล้วไม่ทําตามคนฟังเพื่อจะผิดนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปผมจะเทศเรื่องฟังคำเดียวสั้นๆ น, นะครับคนเคนเหล่านั้นก็มีเหตุผลที่เขาจะ ฟังเหตุผลที่เขาจะอ่าแอนและเขาจะติดตามแต่สิ่งที่พระเยค์เจา้าเน้นนั่นคือว่าเมื่อเขาฟังแล้วเขาต้องหรือว่าเมื่อเขาควรจะทําตามและผู้ที่ทําตามนั้นเปรียบเหมือนกับเรือนที่สร้างไว้บนหินไว้บนศิลาเหมือนกับตึกปัจจุบันนี้ตึกที่ถูกสร้างไว้ด้วยการตอกเสาเข็มนะครับถ้าปัจจุบันนี้ตึกนี้ ตึกไหนก็ตามที่ไม่ถูกตอกเสาเข็มตึกนั้นก็อยู่ไม่นานเมื่อลมพายุหรือว่าตึกแผ่นดินสุดนะครับเ น, เน้นที่ภาคกลางหรือว่ากรุงเทพนะครับมันก็บ้านนั้นก็จะพงทลายหรือว่าตึกนั้นก็จะลม้มลงนะครับผู้ที่นำพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าผู้ที่ฟังคําสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติตามเขาก็เป็นเหมือนศิลาครับขอพระ เป็นเหมือนบ้านที่ถูกสร้างไว้บนศิลาที่มีความมั่นคงแข็งแรงไม่ว่าอุปสรรคปัญหาทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นรอบทิศนะครับเขาจะหัวปัา ก, ก้นขวิดนะเขาก็ไม่ล้มลงเพราะว่าเขาได้ยึดมัน่นเอาพระวจนะของพระเจ้าไว้ในชีวิตท่านยากอบจึงกล่าวว่าดูก่อนพี่น้องในบทที่สองข้อ14เป็นต้นไปนะครับดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า แม้ผู้ใดว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจ ะ, ะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยให้เขารอดได้หรือถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวันและมีคนใดในพวกท่านกล่าวว่าเชิญไปเป็นสุกเถิดและให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้นจะเป็นประโยชน์อะไร ความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไรผลในห้องชั้นบนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาหนังสือภาวนาห้องชั้นบนนะครับในวันพฤหัสที่ผ่านมามีครอบครัวหนึ่งที่เขาถูกฝึกในครอบครัวเวลารับประทานอาหารลูกๆ ก, ก็นั่งด้วยกันแต่ที่โต๊ะอาหารจะมีจานใบหนึ่งเป็นจานเปล่าพ่อก็จะบอกว่าจานนี้คือ เอาไว้สําหรับพระเยซูนะครับเขาก็จะแบ่งอาหารอะไรของเขาของแต่ละคนที่อันที่รับทานด้วยกันนั้นแล้วเมื่อรับทานเสร็จแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไปแบ่งให้กับคนที่ขัดสนในแต่ละวันนะครับเด็กคนลูกของครอบครัวนี้เมื่อเขาโตมาครับเขาอุทิศตัวเองไปทํางานกับองค์การกันกุศลที่ช่วยเหลือกับคนที่อ่า โดยโอกาสคนที่ขัดสนนะครับเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กเขาเห็นและสุดท้ายเขาก็มีใจที่จะเมตตาที่จะช่วยเหลือกับคนอื่นที่ขัดสนและยากจนยากอบบอกว่าคนที่ฟังแล้วไม่ทำตามก็เหมือนคนที่อยู่มองตัวเองในกระจกแล้วก็ผ่านไปคับทุกๆวันครับเราใช้เวลาแต่งหน้ากี่นาทีครับพี่น้องครับ ผู้หญิงก็จะใช้เวลาเยอะกว่าผู้ชายนะครับวันไหนที่ต้องเปียผมวันไหนที่ต้องก้าวผมนะครับวันไหนที่จะต้องสวยออกจากบ้านนะครับต้องตื่นเร็วกว่าปกติสักปกติออกบ้านหกโมงนะครับท่านก็จะตื่นตีสี่ตีสี่ครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอาบน้ำแต่งตัวนะครับผมเชื่อว่าคงไม่มีใครยอมให้ขีข้ตา ปิดขอบตาเราไปทำงานเนาะนะครับบางทีผมไปส่งลูกชายแต่เช้านะบางทีเราล้างหน้าเราอาจจะเช็ดไม่สะอาดเพออยู่บนรถไฟฟ้าเราเช็ดรู้สึกแข็งแข็งนะครับเราก็รีบต้องรีบเช็ดนะครับงั้นคนเราก็มีเวลาเราก็ใช้เวลาในแต่ละวันในการที่จ ะ, ะขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากใบหน้าออกจากร่างกายของเรา ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านผมเชื่อว่าพี่น้องเฝ้าเดี่ยวนะครับพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ฟังขณะที่เราไปสามาัคคีธรรมในกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ขณะที่เราไปชั้นเรียนพระกัมพีขณะที่เราไปโบสถ์นามาสการฟังเทศนะครับให้พระวจนะเหล่านี้ขัดเกลาชีวิตของเรา บางทีอาจจะโดนใจบ้างไม่โดนใจบ้างเข้าหูบ้างไมเ่เข้าหูบ้างนะครับแต่ทุกถ้อยคํนะครับที่เราได้ยินได้ฟังนั้นคือถ้อยคําของพระเจ้าแม้ว่าอาจจะออกมาจากบุคลิกของคนก็ตามแต่จะมีบางส่วนบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรานั้นได้รับการพัฒนาได้รับการปรับปรุงนะครับให้เราพิจ เจรนาวิสุทธิบัญญัติเพราะบัญญัติบริสุทธิ์นะครับเนี่ยครับ holy bible นะครับเดี๋ยวนี้ยังดีหน่อยนะครับถูกลดลงมาเหลือแค่หนึ่งส่วนสามสมัยก่อนนี่หนาอีกเท่านี้นะครับเราสามารถทำเป็นหมอนแทนได้นะครับหนุนแทนหมอนได้บางคนก็พูดเล่นนะครับว่าให้พระวจะนะขอาวว่าเจ้าซึมเข้าหัวก็คือ นอนใช้หนุนแทนหมอนนะครับเพราะเล่มหนาดีแต่ปัจจุบันนี้มันถูก เ, เก็บในระบบดิจิตอลนะครับเหลือเพียงนิดเดียวเองไม่กี่เมกกระบายแล้วก็อยู่ในโทรศัพท์อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสามารถใช้มันได้อย่างง่ายได้รพระเยซคิ์เจ้าบอกว่าตรัสกับคนที่มาถามพระองค์ว่าวิสุที่บัญญัติของพระองค์นั้นก็คือ จงรักองค์รพระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกําลังความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นบัญญัติใหญ่ข้อต้นและข้อที่สองก็เหมือนกันจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองทําบัญญัติของหรือว่าคําสอนของผู้เผยวรชนะทั้งหมดนั้นก็อยู่ในสรุปอยู่ในสองข้อนี้พูดง่ายครับบางทีทํายากนะฮะ ด้านศีลธรรมด้านพระวจนะของพระเจ้านั้นเราจึงจำเป็นที่จะให้พระวจนะของพระเจ้านั้นลังไหลเข้ามาสะสมเข้ามาในชีวิตของเราทุกๆวันทุกๆวันเหมือนกผู้เขียนพระธรรมสุรีบทที่หนึ่งร้อยสิบ้าข้อสิข้อสิบนะครับข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์นะครับ ธรรมยัดที่บริสุทธินี้ทำให้เกิดเสรีภาพคนที่ทำผิดมักมีจิตใจที่ไม่ปกติแล้วการกระตุ้นหรือว่าการเต้นของหัวใจนั้นก็จะไม่ปกติครับนั้นตำรวจจึงจับได้ง่ายครับเอาคนที่เดินเข้าห้อ ง, ห, องห้องจับเทสเครื่องจับเทศนะครับ ตอนแรกผมได้ยินเนี่ยผมก็เข้าใจว่าให้คนนั้นไปพูดใส่เครื่องแล้วไปคนมีสอบถามอีกนะครับว่าพูดตรงกันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นการาทดสอจากระบบการกระตุน้นการทำงานของหัวใจนะ ค, คนที่ไม่มีอะไรผิดปกติคนที่ไม่ทำผิดนะครับหัวใจก็ก็จะเต้นปกติแต่ว่าคนที่ทำผิดนะครับความกลัว ความวิตกกังวลมันทำให้หัวใจของเขาเต้นปกติผิดปกติันั้นเองก็ถูกจับได้ง่ายนะครับเรามีเสรีภาพที่จะดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าและเป็นพระวจนะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดมีค่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับสรุดีบทที่สิบเก้าข้อเจ็นั้นพระวจนะของพระเจ้านั้น น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำตอนนี้ทองคำบาทเท่าไหร่ครับสอง0มื่นสองสองมืนสามประมาณนี้นะครับถ้าเราเล่นคนเล่นทองก็จะรู้นะครับถ้าเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วถ้าเขาใช้ซื้อทองประมาณแปดเก้าพหมื่นกว่าต้นๆขายปัจจุบันนี้ก็ได้กำไรเยอะนะครับ คนก็ปรารถนาที่จะได้ทองคําแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นน่าปรารถนายิ่งกว่าทองคําและมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะประพฤติเราจะทําตามพระคริสตเจ้าเองก็ทําแบบอย่างให้กับสาวกของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสาเราพบว่าขณะที่พระองค์กาลังจะรับประทานกรหารกับสาวกของพระองค์นั้นพระองค์ นํำพระองค์เอาผ้าคาดเอวพระองค์แล้วก็นั่งลงล้างเท้าให้กับสาวกซึ่งเป็นงานต่ําที่ทาตเป็นงานที่ธาตุทำให้กับแขกแต่พระสตเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ทําให้กับสาวกของพระองค์ทําให้กับคนคนที่ต่ําชั้นต่ำบรรณะกว่าพระองค์และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าท่านทั้งหลายรู้ดังนี้แล้วท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขเราสามารถได้รับความสุขจากสิ่งที่เราประพฤติได้สิ่งที่เรากระทำได้นั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าและยักอบเองก็บอกได้ย้ำอีกครั้งว่าธรรมะที่บริสุทธิ์คนที่มีธรรมะ ที่แท้จริงแล้วนั้นก็คือคนที่มีความสงบคนที่ยื่นมือไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตาการุณานะครับในข้อ26ว่าไงครับถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตนเป็นคนมีธรรมะแต่และไม่ได้สงบปากคำคนนั้นก็หลวงตนเองธรรมะของเขานั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับ นั่นเองเมื่อเราทั้งหลายใช้พระวจนะเราไม่ได้ใช้พระวจนะเพื่อโจมตีหรือว่าทำร้ายคนอื่นแต่ใช้พระวจนะของพระเจ้านั้นเพื่อพัฒนาขัดเกลาชีวิตของตัวเราเองนะครับย่ากรอบท่านบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนช้าไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์นั้นไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์หรือว่าเกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า <ribly> เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมลทั้งหลายแหลและการชั่วร้ายอันดกดื่นจงน้อมใจรับพระวจนะของพระเจ้าที่ปลูกฝังไว้แล้วนั้น starter. เลิกนะครับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะครับเื่องทิ้ง นะครับะครับความโกรธทุกๆคนเรามีความโกรธไม่พอใจไม่ได้ดังใจก็โกรธและครับพูดไม่เข้าหูก็โกรธรถคันหลังบีบแตรดังก็โกรธนะครับบีบอะไรนักหนาถ้าไปได้ก็ไปแล้วเครับเราก็มักจะเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้และคนะทั้งหลายนะครับที่ในยุค ข, ของท่านยากระอบหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยก็มักจะแยก มีหลายคนที่แยกความเชื่อเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณและความประพฤตินั้นออกจากกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มใช้กลุ่มยแะยะ่นิยมหรือว่ากลุ่มใช้ปัญญาทั้งหลายนี้นะครับเขาจะบอกว่าความประพฤติของร่างกายนะครับความกาทำผิดทางร่างกายไม่ส่งผลต่อฝ่ายวิญญาณดังนั้น เชื่อพระเจ้าแล้วก็ทำผิดได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับพระกัมพียุคคริสตจักรยุคแรกจะต่อต้านคำสอนเช่นนี้มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นเตือนเราในเรื่องนี้ว่าจงเป็นผลที่ควบคุมลิ้นของตนเองนะครับมันไม่มีกระดูกแต่มันก็สามารถทำให้เกิดเหตุสถานการณ์เหมือนกับไฟไหม้ป่าได้ น, นั่นคือผลงานของลิ้นแต่เราสามารถควบคุมได้โดยฤทธเดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะควบคุมสิ่งตัวเราเองได้นะและสุดท้ายสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งที่ยากรบกล่าวในข้อสุดท้ายนั่นก็คือว่าการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าหญิงไม้ที่มีความยากลําบากช่วยเขาด้วยความ เต็มใจนั่นเองเราจึงพบว่าคริสตจักรจึงมีภารกิจในการช่วยเหลือคนที่ยากลำบากช่วยเหลือคนยากจนนะครับแต่คริสตจักรไม่ใช่แหล่งฟอกเงินคริสตจักรเป็นสถานที่ที่เราจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนช่วยเหลือผู้ที่ลำบาก เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ทําให้คิดถึงคําอุปมาของพระเยซูเจ้าที่พระองค์สอนบาเรียนที่มาถามพระองค์เรื่องชีวิตนิรันดร์เขาบอกเขาถามพระเยซูว่าเขาจะทําอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์แล้วพระเยซูก็ถามย้อนกลับเขาว่าเข า, าพระวจนะของพระเจ้าว่าอย่างไรคําสอนของอผู้เผยพรวจนะนั้นว่าอย่างไรก็เช่นกันครับ จงรักพระเจ้าด้วยสิ่สุดใจและสุดจิตสุใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วพระสูงบอกว่าให้เขาไปทำอย่างนั้นเขาถามว่าแล้วใครเป็นเพื่อนนเพื่อนบ้านของผมบาเรียนเป็นคนที่รู้เป็นคนที่เรียนธรรมะคงแก่เรียนคนที่ศึกษาเยอะคนที่มีความรู้มากแต่เรื่องเล็กๆบางทีคิดไม่ออกนะครับ พระเยสุจึงเล่าคำอุปมารเรื่องของชาวสมารียใจดีครับพี่น้องจำได้ส่วนใหญ่หลายคนเป็นคูรวีนะครับสามารถเล่าได้ด้วยซ้ำนะครับที่พระเยสูเรามีชายคนหนึ่งจาก เ, เมืองเยริโคจะไปที่เยรูซาเลม็มและระหว่างทางนั้นก็ถูกโจรปล้นนะครับทำร้ายร่างกายแล้วมีปุโรหิตเดินผ่านมาปุโรหิตเห็น แล้วปุโรหิตก็เดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะครับคนเลวีก็เช่นเดียวกันครับมาแล้วก็เดินผ่านไปเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งสองคนนี้นะครับเป็นคนที่ดูแลพระวิหารเป็นคนสอนนะครับคนหนึ่งปุโรหิตเป็นคนสอนเลวีเป็นคนดูแลพระวิหารของพระเจ้ารู้พระบัญญัติ ด, ดี แต่สิ่งที่เขาทำนั่นก็คือว่าเขาไม่ได้หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยและมีชาวสมาเลียาชาวสมาเลียผ่านมาแล้วเขาคนนี้ลงไปช่วยชาวสมาเลีย ค, คือกลุ่มคนที่คนยเูเรียกเขาว่าเป็นคนนอกรีดเป็นคนที่ไม่ยอมดาเนินชีวิตตามแบบของบรรพบุรุษเขาไปแต่งงานกับคนต่างชาติ มีพระมากมายนะครับและเขาเองก็ไม่ได้มานมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเขามีสถานที่นมัสการของเขาอีกต่างหากนั่นเองชาวโซมาเลี ย, ยจึงเป็นเป็นคนที่ไม่ถูกไม่ได้รับการยอมรับจากคนยิวแต่สิ่งที่ชาวโซมาเลียคนนี้ทำก็คือว่าเขาลงจากลาหลังลาของเขาเอาน้ำมัน เอาเหล้าอางุ่นไปทำความสะอาดบาดแผลของชนที่ถูกปล้นและอุ้มชายคนที่ถูกปล้นนั้นขี่ลาของตัวเองเขาสละสิ่งของที่เขามีอยู่เขาสละหลังลาให้กับคนที่เดือดร้อนและเขาก็ยอมที่จะเดินเมื่อไปถึงโรงแรมเขาให้ เจ้าของโรงแรมนั้นช่วยรักษาจ่ายค่ายาและจ่ายล่วงหน้าให้อีก2เหรียญ น, นะครับก็ประมาณค่าแรง2วันนะครับกรลังวันนะครับ ก, รร ก, นนบก็ห้า0บาทนะครับก็น่าจะพอค่ายาแต่เขาบอกว่าอันนี้จ่ายไว้ก่อนถ้า2เหรียญ น, นี้ไม่พอเมื่อเขากลับมาเขาจะจ่ายเพิ่มให้ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูยกเป็นคำอุปมาสอนกับบาเรียนคนนี้ที่เป็นเหมือนผู้ที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังพระวจนะแต่ไม่เข้าใจพระเยซูสอนให้ว่าเขาควรจะทำเช่นนั้นและพระเยซูก็บอกชายคนนี้ว่าจงไปกระทำอย่างนั้นในชีวิตประจำวันของเราเราอาจจะมีชายที่ถูกปล้น อยู่ข้างๆเราคือคนที่เดือดร้อนคนที่ขัดสนคนที่มีความวิตกกังวลคนที่มีความยากลำบากในชีวิตเขาอยากจะคุยกับใครสักคนเขาอยากจะมีเพื่อนสักคนที่จะรับฟังปัญหาหรือเขาอาจจะอยากจะได้อาหารสักมือหนึ่งเพื่อประทังชีวิต ไปอีกสักวันหนึ่งมีสามีภรรยานักเทศคู่หนึ่งเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์เขาไปเขาจะถูกสอนว่าให้แอบจ่ายค่าอาหารให้กับคนที่ร้านอาหารนะครับเข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเย็นวันที่มีในร้านอาหารนั้นมีชายชะลา หญิงชลาคู่หนึ่งนั่งรับประทานอาหารอย่างอรอร่อยและก็บรรยากาศที่เขาคุยกันนั้นน่ารักมากทั้งสองคนได้เห็นแล้วประทับใจแล้วก็แอบไปจ่ายเงินที่แคทเชียให้กับสองตา ย, ายนี้นะครับแล้วก็ห้ามแคทเชียบอกจนกว่าที่ เขาจะออกจากร้านไปแล้วมาไม่นานนะครับหลายเดือนต่อมาเขากลับมาที่ร้านนี้อีกแล้วก็มีคนสูงอายุซึ่งเขาจำไม่ได้แล้วมาที่ร้านแล้วก็มาที่โต๊ะอาหารของเขาแล้วเขาก็บอกว่าจำเราสองคนได้หรือเปล่าะ วันนั้นคุณช่วยจ่ายค่าอาหารให้เรามันเป็นวันพิเศษมากซึ่งเรากำลังรับประทานอาหารเป็นวันครบรอบวันแต่งงานของเราเราขอบคุณคุณมากและเรารู้ว่าคุณเป็นคนจัดรายการโทรทัศน์เราติดตามรายการของคุณและเราก็บอกเพื่อนๆ น, น, น, น, นของเราให้เราก็แนะนำเพื่อนๆนของเราให้ ติดตามรายการของคุณและเราก็ได้มีคนมาเชื่อพระเจ้าจากรายการของคุณครับนักเทศคู่นี้ได้ทำในบางสิ่งบางอย่างที่แม้ว่าเขาจะแอบทาแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเกิดผลทำให้คนที่ได้รับนั้นส่งสิ่งที่ดีนั้นต่อไปและยิ่งกว่านั้นคนที่ได้รับนั้นคนตอ่อคนนอกนั้นยังได้ รับฟังพระวจนะของพระเจ้าและได้รับความรอดจากพระเจ้าด้วยครับขอให้เราทุกคนที่จะเป็นคนนั้นที่ประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าและเราทั้งหลายก็จะได้รับความสุขจากการประพฤติปฏิบัตินั้นขอพระเจ้าวอวยพรครับ